วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับหลวงพอ่อเพราะว่าคณะสัายาติโยมครูบาอาจารย์พระสงฆ์จากจาตรุรทิศจากเหนือจดใต้เกือบทุกจังหวัดที่มาร่วมงานในวันนี้นะับว่าเป็นวันมงคลสำหรับหลวงพอ่อหลวงพ่ออายุ ปีนี้ก็วันที่27ที่จะถึงวันวันพรุ่งนี้ที่จะถึงนี้ก็อายุ67ปีเต็มต่อไปก็คงจะย่างเข้า68ปีไหลไปเรื่อยๆจากนั้นก็ 70-80 วันนี้นับว่าคณะสัายาติโยมจากจาตุรธิตมากหลวงพ่อเองเห็นแล้วก็ปลื้มใจ คณะสงฆ์และคณะสัทธายาตโยมได้มาพร้อมกันเมื่อกี้นี้ก็ได้สวดพระปริตะมงคลคณะสัทธายาตโยมก็คงจะไม่เคยได้ยินบางสวดที่ท่านสวดขึ้นมาเมื่อกี้นี้ก็เสียงไพเาราะเป็นเสียงอัดเสียง ร, รมของคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมในการสวด พระปริตะมงคลเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลหลวงพ่อเองก่อนน้อมรับจากหมู่คณะจากสิทธิานุสิตจากคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมเหล่าและก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ขออำนวยอวยพรให้แก่พวกคณะสิทธิทุกทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ขอขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาให้สมหวังดังปราถนาแต่ทางท่านผู้ไม่ได้ม า, าท่านไม่ได้มาร่วมในขณะนี้หรือว่าท่านอยู่ทางไกลไม่ได้มาร่วมหลงพ่อกับทรงด้วยบุญด้วยกุศลที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ถ้าจะว่าไปตั้งแต่พบก่อนชาติก่อนหรือว่าในพบปัจจุบันในชาติปัจจุบัน ที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่สมณเณรจนถึงเป็นพระที่อายุมากขนาดนี้ด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลก็ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนคณะสัทธา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าบุญกุศลนั้นขอให้เป็นพลังขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนบา ร, รมีของก๊กเราท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จ สมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาการทำบุญในวันนี้หรืหว่าการจัดงาหรือว่าวันเกิดของหลวงพ่อสองสาปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้จัดในวัดของเราจัดวันกระถิน่นและก็วันเกิดแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้มีอุปกระคุณผู้ที่ได้มาร่วมการสร้างวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ ด้วยกําลังทรัพย์ทุนทรัพ ย, ย์ด้วยกําลังกายด้วยกําลังความคิดแสดงความแนะนำให้สร้างวัดวาวัดนาขน้อยแห่งนี้ที่พวกเราได้รับความสะดวกสบายที่เข้ามาแต่ท่านเหล่านั้นบางท่านก็อายุมากก็ได้ร่องรอยไปตามอายุสังขารแต่บางท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรค้าพยาติต่อมายัง ไม่สมควรที่จะจากไปก็ได้จากไปก็มีหลายท่านเพราะนั้นด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ทําบุญกระดแยกกันแต่สมัยก่อนนะแยกกันคือทําเราจะทั้งทําบุญอุทิศทำบุญให้แก่ผู้มีอุปการะคุณในส่วนหนึ่งคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายสําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของหลวงพ่อและก็พร้อมกันคณะศรัทธรรยาญาติโยมก็ร่วมทําบุญ และก็พร้อมกันก็อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณที่สร้างวัดป่านาคําน้อยแห่งนี้อันนี้ก็คือเราทํามาทุกปีแต่เมื่อ3มปีที่ผ่านมาหลวงพอ่อได้รับภาระมากมายหลายๆอย่างทั้งงานของคุณแม่ชีแก้วด้วยทั้งงานลูกปูร่าด้วยแล้วก็งานของหลวงตาก็มีหลายงานแล้วก็หลวงพ่อก็เลยรวมกันวันทำบุญวันเกิดของหลวงพ่อกับทําบุญ อุทิศ ส, ส่วนกุศลผู้มีอุปการะคุณเข้ามาวันเดียวคือวันนี้แต่วันนี้ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อจะทําบุญวันเกิดด้วยทําบุญกับอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ผู้มีอุปการะคุณด้วยวันนี้แต่วันพรุ่งนี้เพราะฉนั้นขอให้คณะรัตายาติยมทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมทําบุญกับหลวงพ่อในคราวนี้ก็ขอให้อุทิศ ส, ส่วนกุศล ถึงผู้มีอุปกระคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็เมื่อต่อไปภายภาคหน้าอาจจะแยกอีกก็ได้เพระหลวงพ่ออายุมากขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทำบุญข้างนอกวัดอื่นเพราะว่าอายุมากพาะไม่หลวงพ่อไม่คิดว่าจะหนุ่มไปข้างหน้ามิตรจะแก่ไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะนั้น ต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมีการแยกอีกวันเกิดหลวงพ่อและกับวันทําบุตรอุทิตอุทิตส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณอย่างที่ได้ทำมานะแล้วก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ใหสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้นะวันนี้ก็เมื่อเรา เมื่อได้ฟังสัมโมทนิยกาถาของหลวงพ่อจบลงไปแล้วก็จะมีการให้พระสงฆ์ก็เตรียมถวายเจตุปัจจัยนะให้เตรียมถวายเจตุปัจจัยเมื่อถวายจตุปัจจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะอนุโมธนาให้พรเมื่ออนุโมธนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะจบในวันนี้เราก็วันพรุ่งนี้ตอนเช้าเจ็นาฬิกากมีพระสงฆ์จะได้บินทบาทอย่างที่โคศกได้ประกาศตอนเย็นในวันนี้ ตอนเช้าบินทบาทเสร็จแล้วก็ได้ถวายพระทหารพระสงฆ์อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรก็เป็นอันเสร็จพิธีวันพรุ่งนี้นะแต่วันนี้หลวงพ่อเองเห็นคณะสงฆ์คณะสิทธิ์หมู่พวกเพื่อนที่มาร่วมงานก็ปลื้มใจในหมู่คณะที่มาร่วมในวันนี้ แล้วก็เห็นคณะสัทย า, าติโยมทุกหมู่เหล่าเข้ามาก็ปลื้มใจในคณะสัทย า, าติโยมนานปีหนึ่งพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันมากถึงขนาดนี้แล้วก็ได้มาพบมาเจอมาเห็นหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อปีนี้แก่ขนาดนี้ปีต่อไปจะแก่ขนาดไหนพวกเราคงจะเห็นหลวงพ่อแกไปเรื่อยๆ เหมือนกันแต่ลูกพ่อเห็นคณะสัตยาติยมลูกหลานเข้ามาใกล้ก็เออลูกหลานคณะสัตยาติยมเนอสิทธิลูกสิทธลูกหาพระเนเนออย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เนอให้รักษาหลักพระธรรมวินัยเอาไว้เนอลูกหลานเนอทุกองเนอพระเนอพ ะ, ะโลกทุกวันนี่ โลกทางหลายมันมีมากมายหลายหลายอย่างที่จะทําลายทําร้ายพระพุทธศาสนาทําร้ายตัวของเราเองนะั่นแหะเป็นอันดับแรกก็ขอให้พระเนนทุกองค์อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยให้เป็นสากยบุตรเนะ่าลูกหลานทุกองคเนะ่าหลวงพ่อก็จะขอร้องขอบอกขอกล่าวลูกหลานทุกองค์ให้ขอให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวิ น, ยนัยคณะจัทตาญาติโยมก็เหมือนกัน ถึงจะใครจะไม่ทำคุณงามความดีก็ขอให้พวกเราทำคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพราะพวกเราได้ศึกษาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพวกเรามั่นใจเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุว่าพวกเราได้ฟังโดยซีได้ศึกษาได้ปฏิบัติดูซี ถ้าพวกเราปฏิบัติแล้วทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งใจของเรานะครับว่าใจใจคานี้แหละนามธรรมาเนี่ยมันจะโดดเด่นขึ้นในจิตในใจของพวกเราถ้าเราเห็นใจของเราแล้วเห็นกายด้วยเห็นใจด้วยเห็นใจเห็นกายด้วยเห็นทั้งสองอย่างออมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันแยกกันอยู่มันคนละอันกันเห็นได้ชัดเพราะนั้นเราจึงมั่นใจว่าวิญญาณและใจดวงนี้นะ่ะ เกิดแน่นอนไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่านั่นละ่ะคําว่าเกิดแน่นอนคํานี้ละ่ะให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ให้มีทานมีศีลมีภาวนาเอาไว้ให้สะสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้ถ้าว่าเราบุญของเรามีบุญมีกุศลแล้วใจของเรามีบุญมีกุศลแล้ว ไปเกิดในภพภูมิใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเน้อลูกลานเน้อคณะศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านเน้อหมู่พวกเพื่อนทุกองเนื้อครูบาอาจารย์ทุกองค์เอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากนะแล้วก็ขอให้พระที่ได้เตรียมจตุปัจจัยไตยทานขอนำมาถวายครูบาอาจารย์นัตตนีเน้อเมื่อถวายพระจะตุปปัจจัยถวายสิ่งของแล้วก็ประสงค์จเจนุโมทนาให้พร สำหรับญาติศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อจะแจกหนังสือและ MP3 วันพุ่งนี้นะอนเอ็มพีงคนว่าเออใหม่หรือเก่าใหม่หรือเก่าถ้าหากว่าผู้ได้ไปแล้วฟังดูแล้วก็เออเอามันพอใจแล้วก็ไม่ต้องเอาใหม่ก็ได้นี่แต่เขาบอกผู้ยังมันสำลุดชุดโทมไปแล้วเออเอามาเปลี่ยนใหม่อีกก็ได้นะหลวงพ่อจะแจกหลวงพ่อคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าแจกทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้พวกเราเมื่อรับไปแล้วให้ฟังนะฟังหลวงพ่อแนะนําให้ฟังถ้าพวกเราฟังดีๆแล้วหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะไม่เข้าใจนะจะไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะโลกวิชาในโลกนะี่มีมากเหลือเกินใครจะเก่งขนาดไหนมันก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดแต่ขนาดนาซาขนาดเ อ, อเมริกาเขานาซาเนี่ย เออเขาเรียน ท, ท้องฟ้าอากาศนะเขาก็กีดยานอาวกาศไม่รู้กี่ดวงขึ้นไปก็ถึงดวงดวงจันทร์ท่านเองแล้วก็ดาวพระอังคารดาวเคราะห์ไม่กี่ดวงนะแต่ดาวในท้องฟ้าเนี่ยสิมันมีมากขนาดไหนแต่ละดวงนั้นมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นอนะ่ะเป็นเมืองเหมือนมนุษย์ของเรานี่เปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เขาก็ยังค้นคว้าศึกษายัางไม่ได้เพราะฉะนั้นวิชาในโลกนี่มันมีมาก เพราะเห้นั้นขอให้พวกเราศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนา พ, พุทธศาสนาของเหมือนกันมีมากละเอียดอ่อนมากคณะทายาทโยมศึกษาให้ในละเอียดแล้วพวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราเชื่อในการประพฤติธปฏธิบัติไม่ใช่เชื่ออย่างอื่นนะเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ปฏิบัติมีแต่ฟังฟังฟังเฉยๆมันก็ไม่เข้าใจไม่ลึก ه, เออเผอออาจจะสงสัยและไม่เข้าใจ อ, อีกต่างหากบนที่สูงก็เลยพุทธศาสนาเป็นเรื่องหลอกกันเพื่อให้ปกครองง่ายเท่านั้นเองเออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคณะสัทธายาติโยมนะ้นมันลึกกว่านั้นนะถ้าเราศึกษาให้เข้าใจแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านฝากชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อนี่นะเออบวชเป็นสมัมมณีตั้งแต่อายุ11ปีเออสปี เ, เดี๋ยวนี้เท่าไหร่67ปีเป็นพระมา47ปี4 7พ0รษาแล้วนะคันศร้าย ญ, ญาติโยมนะแล้วก็เป็นเนรอีก8บวก8เข้าไปอีกบวก47บวก8นะเป็นเท่าไหร่50กว่าพัรษาชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยฝากไว้ในพระพุทธศาสนายาวนานถึงขนาดนั้นแหละหลวงพ่อเสียใจมาไหมไม่เสียใจดีใจอีกต่างหากภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ได้บวชมาในพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติแล้วก็เชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่ะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดเออจริง เ, ออเพราะเหตุไรเพราะเราได้ปฏิบัติได้นั่งภาวนาได้ศึกษาดูแล้วพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นของจริงจริงๆนะคะ่ะนัตัดทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ้าต่อนนี้ไปก็เอาเอาของมาถวายพรนะนัตติน้านะ แล้วก็วันพรุ่งนี้พระสงฆ์จะบินธบาทรอบสารามันเคยมีบางทีก็อ้างอิงถึงพระพอใส่ถุงเข้าไปแล้วก็เอาไปใส่รถเปิดแหนบก็มีนะเพราะนั้นไม่มีถ้าว่าใครเห็นอย่างนั้นคือมาเนี่ยบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะหาก่องแขนใส่กองแขนมัดกับรถไว้ก่อน <c oughs> ถ้าเห็นอย่างนั้นนะมัดกล่องแขนใส่ติดรถไว้ก่อนเป็นใครวะมันเคยมีเนี่ยว ะ, ะเพราะนั้นในวัดของเราในวัดหลวงพ่อเน่ไม่ให้มีนะบิณฑบาตเสร็จแล้วก็เอามารวมกันก่อนยังค่อยย่ถวายพระสงฆ์กูบาอาจารย์ให้ก่อนยังค่อยแยกยังค่อยจัดให้กันให้ทั่วถึงและก็พร้อมกัน โรงทานทั้งหลายหลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อขอร้องชาวบ้านชาวบ้านหลวงพ่อก็บอกนะบอกชาวบ้านบอกเอ้ยลูกหลานชาวบ้านเนอเวลามาวัดหลวงพ่อเนี่ยโรงทานต่างๆพวกเราจะไปแย่งกันนะให้มีมารยาทนถ้าหากว่าไม่มีมารยาทเนี่ยค้ายหน้าหลวงพ่อเเหมือนหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้แย่ง กันอาหารเหมือนกับอะไรเหมือนกันเสือหิวอยู่ในป่าหรงพงไยเห็นอาหารแล้วก็แย่งกันไม่ถูกนะลูกลานเนต้องมีมารยาทเนอันนี้หลวงพ่อก็สอนนะและพร้อมกันหลวงพ่อก็สอนลงทานอีกีโอ้ลงทานเน่าต้องใจกว้างเน่ามาทาบุญทําทานทั้งทีเวลาเขามาอยากจะได้อาหารเขาขอ ทวงหนึ่งหรือว่าเขาขอเพิ่มอีกพวกเราก็ตัเหลียวหรืวว่าทัพพีก็จะไปเวียงซ้ายเวียงขวามากกันไปเนะพวกเรานะหลวงพ่อก็สอนอีกเพราะเหตุไรอย่างท่านหัวหน้าหัวหน้าศาลที่ท่านพิพากษาในท่านบอกกับหลวงพ่อในหน้าคิดนะผมเลยเป็นชาวบ้านนอกเป็นชนบทเขาไม่เคยกินอาหารดีๆอย่างนี้ ไม่เคยไปซื้อไม่เคยกินในตลาดพาะไม่เคยเข้าไปในเมืองไม่เคยกินอาหารพอเขาได้กินอาหารดีๆเนี่ยเขาคิดถึงพ่อถึงแม่ของเขาคิดถึงถ้าแม่บ้านกินกัคิดถึงแฟนท่าพ่อบ้านกินกัคิดถึงแม่บ้านแล้คิดถึงคนในบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยโอ้อยากจะให้ได้กินอาหารอย่างนี้เนี่ยเขาก็มาขอบางทีมาขอถุงหนึ่งสองถุง ผมได้ให้เขาเลยนะผมจัดถุงให้เขาเลยเพื่อให้เขาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเขาเพราะคิดถึงใจตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยถ้าหากกินอาหารดีๆกินอาหารอรอ่ อ, รอยๆเนี่ยมันกินไม่ลงครับเพราะคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงผู้ที่เรารักเคารพนับถื อ, เ, อเพราะนั้นผมจึงจัดใส่ถุงให้เขาเมื่อเขาขอสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อ ฟ, ฟังฟังท่านพูดแล้วก็มีเหตุผลของท่านนะเพราะฉะนั้นคณะสัตยาติยามเวลาทําบุญทําทานต้องใจใหญ่ๆนะจะไปขับแคบวะไรนะอันนี้ก็หลวงพ่อขอบอกขอล่าวคณะสัตายาติยอมทุกหมู่ทุกเราเนี่ยตั้งลงทานโรงทานนี่ถ้าหากว่าเราทําบุญทําทานนั้บุญกุศลจะเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา ทํากิจการงานอะไรก็รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองไปหมดนะ่ะคนทําบุญทําทานหลวงพ่อก็ได้ถามหลายๆคนเอ๊ะทำไมคนทั้งหลายตั้งโรงทานนี่ก็ไม่ใช่ของเล็กน้อยของยากมากจุ่งยากมากในการตั้งโรงทานแต่ทําไมพวกเราจึงยินดีในการตั้งโรงทานก็ได้รับคําตอบจากหลายๆคนว่าโอ้การตั้งโรงทานนี่ แต่ก่อนก็ทํากิจการงานก็รู้สึกว่าลําบากติดติดขัดขัดแต่พอไปตั้งลงทานพอได้ทําบุญทําทานได้แจกผู้คนเท่านั้นแหละกลับมากิจการงานรุ่งเรืองราบลื่นไปหมดเพราะฉะนั้นการทําบุญทําทานเนี่ยจึงอยากจะทําทําแล้วอยากจะทําอีกเพราะทําแล้วมันสบายใจการเสียสละทุนทรัพย์ก็ไม่เท่าไหร่แต่เมื่อเราทําไปแล้วน่ะ มันสบายใจกิจการงานก็จเจริญรุ่งเรืองหลุดหน้าไปเห็นได้ชัดในตัวเองไงในสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเคยได้ยินมากต่อมากเพราะฉะนั้นเวลาไปงานใหญ่ๆหรืองานที่ไหนจึงมีลงทานขึ้นมาทุกแห่งหนและก็พร้อมกันก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านใจกว้างขวางอย่างที่หลวงพ่อพูด น, นนะน่ะเมื่อเราทำใจใจกว้างขวางนะบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา ไปเกิดพบในชาติใดก็จะไม่อดอยากคนทําบุญทําทานนี่นะพวกญาติโยมทั้งหลายก็คงอยากจะอยากจะทราบว่าเอ๊เจดีหลงตาเนี่ยไปถึงไหนนะเน่ยเออ <c oughs> เจดีหลงตาเนี่ยทำไมเงียบนักเจดีหลงตาน่ยไปถึงไหนแล้วนะเนคือเจดีหลงตานี่พวกกรมศิลปกรนะมหาวิทยาลัยศิลปกร คือฟ้าหญิงทุนกระหม่อมฟ้าหญิงจุราภรท่านมอบให้ลูกสาวของท่านนะลูกสาวของท่านองค์ใหญ่เนะี่ยชื่อพระองค์เจ้าสิริภาจุธาภรเป็นผู้รับภาระแล้วก็เป็นผู้ออกแบบกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรกําลังออกแบบเดี๋ยวนี้เขียนจบแล้ววางงานนะ<ม>จบแล้วเขาก็ถามว่า เมื่อจบแล้วเขาจะนําแบบแปนที่เขียนจบแรนะนาะจะมาปรึกษาครูบาอาจารย์สิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาฝ่ายพระสงฆ์ก่อนเมื่อเอาเอาขึ้นม า, าถามครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ไม่ขัดข้องเออเห็นด้วยหรือว่าแก้ไขตรงไหนท่านก็จะได้นําไปแก้ไขถ้าว่าเออเห็นด้วยพอเห็นด้วยทีนี้ท่านก็ขอวันวางศิลาเลิกละทีนี้ เขาก็ถามถามเหมือนกันนะท่านก็ถามทางกมศิลธรรมว่าเออหลวงพ่อจะวางศิลาฤกษ์จะวางช่วงไหนถ้าหากว่าแปลนจบเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อกบอกเออถ้าเป็นไปได้ก็วันที่สิบสองสิงหาท่านก็บอกเออวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันพ่อระบรมราชินีคงจะไม่สะดวกมกั้งหลวงพ่อเอออย่างนั้นสะดวกวันไหนอแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็อยากจะให้เร็วๆ เ, เหมือนกันอนะ วางศีลแลเลิกเสร็จแล้วก็จะได้ประกาศหาผู้รับเหมาเป็นขั้นตอนต่อไปแต่ว่าสร้างแน่นะครนะับ า, าศรัทธาญาติโยมนะเตรียมไวนะ้เน้อเตรียมกระเป๋าไวนะ้เน้อเมื่อกนี่ลงพ่อลงไปกรุงเทพมีโยมคนหนึ่ง เ, เป็นหมออายุ 70-80 ปก่อนที่ท่านจะมรณภาพก่อนที่ท่านจะตายนะท่านก็เออเอากอง มรดกของเราเงินของอของป้านี่นะของยายนี่นะอให้หลานคนนั้นให้หลานคนนี้ให้คนคนนั้นค น, นนี้นะเรื่องที่ดงที่ดินให้คนนั้นคนนี้มอบให้หมดแต่ว่าเงินหนึ่งล้านบาทนี่ขอให้ไปสร้างเจดีหลงตาเนออเงินหนึ่งล้านบาทนี่ขอให้ไปสร้างเจดีหลงตาเนอคือเป็นพินัยกรรมไว้เลยเออนี่แหละพวกเรานะ เออใครๆก็ตามเนะ่ะถ้าว่าไม่ท่าลเลยรียบเขียนพี่นายกรรมอะไรอยางั้เถอะ อ, อย่างน้อยก็ได้สร้างเจดีกลกตาเป็นบุญเป็นกุศลนะแต่มากกว่า น, นั้นอีกมีอีก ท, นนออท่านด อ, อร์หนึ่ ง, งพ่อไปฉันยที่กุงเทพทานบอกว่าโอ้ลูกน้องของผมนิสัยดีคนเนี้เป็นคนขับรถให้ผมมานมนานตัวอ้นอวน แต่พ่อป่วยขึ้นมาตาเหลืองขึ้นมาไปหาหมอเป็นมะเร็งขั้นที่สามแล้วมะเร็งตับเหมือ น, นโอ้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายคนผมไปหาพาไปหาหมอที่สุดคนที่มโนครูบาอาจารย์ไปสันที่บ้านโดยเทินเหมือนกันหลวงพ่อไปฉันที่บ้านพ่อฉันบ้านฉันบ้านปันที่ลุ่งขึ้นมาเขาก็ตายนะเขาก็ตายพอตายเขาก็เขียนเป็นหนังสือไว้ด้วยนะโซเฟอร์เขาเขียนว่า ในเมื่อผมตายไปแล้วเงินขอให้เอาเงินห้าร้ยบาทไปสร้างเจดีหลวงตามหาบัวด้วยข อ, อนนะโอ้หลวงพ่อได้ยินแล้ว เ, เงินห้าร้อยบาทฟังสิเออหลวงพอ่อถ้าหลวงพ่อได้รับเงินห้าร้อบาทเหมือนกับเงินห้าแสนนั่นละกันเถอะเพราะมันออกมาจากจิตใจของเขาอย่างชัดเจนเลยนี่แหละวันนั้นขอให้พวกเราเนาะใครอยากจ ะ, จะ เออเจอดีหลงตานีสานนน่สร้างแน่ๆว่างั้นเถอะเออสร้างแน่ๆอีกไม่นานก็คงวางสิลาเลิกกันละอย่าเมื่อวางสิลาเลิกแล้วก็หาทุนแต่การสร้างเจดีหลงตามหาบัวเนี่นะในความคิดหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อบอกว่าต้องหาเงินก่อนต้องหาทุนก่อนสมมติว่าเจดีเนี่ยเจดีของหลงตานี่เราจะงบเท่าไหร่เอองบพันล้านพูดง่ายๆนะเออจะไปโหไม่ได้นะพันล้านนะ หลวงตาหาให้พวกเราเนะี่ยทองคันทองคำนะ่ะสิบสมตันกับเงินสิล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินออกมาเดี๋ยวมันส0มหม่นกว่าล้านนะเออมันไม่ใช่น้อยนะเงินสา0 0 0ื่นกว่าล้านนะที่เราจะคืนให้หลวงตาพันล้านจะไปโ oh 호ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเอยจะไปโห o ได้ยังไงเงินหนึ่งพันล้านเนี่ยหลวงพ่อจิ๊บจ่อยมากสําหรับบูชาพระคุณหลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเมื่อสร้างเมื่อปีโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อวัดนาจะประกาศประกาศเออคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานเจดี JD ของพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ย เ, เราจะใช้เงินประมาณ 1,000 งพันล้านออลงขันกันเนอะออมีเท่าไหร่ให้ลงขันกันออในเมื่อเราลงขันกันแล้วนี่ได้เงินมาเท่าไหร่ได้เงินมาโอ้ยลูกหลานใจไม่ปั๊มได้เงินมาเพียง300อล้าน ประกาศเองเอาเองเนอะอยากได้พันล้านเนอะพ่อเจดีเราจะสร้างให้สวยให้งามประมาณพันล้านก็ยังได้3ามห้าสิบล้านเอาเราก็ของโอ้โลงตาท่านคงจะไม่ให้สร้างใหญ่เอ า, เอาสักสามยห้าสิบล้านก็พอละเออคือสรุปแล้วคือไม่ให้หนักใจผู้ใดพูดหลวงพ่อว่านะคือไม่ให้หนักใจคณะกรรมการไม่ใช่ว่าเราตั้งพันล้านก็สร้างไปแล้วต่นี่ เซ็นสัญญากันพันล้านพอเงินได้มาเพียงสามสี่ร้อยล้านใช่ไหมละ่ะและจำนวนที่เหลือทำยงไงคณะกรรมการจะหาที่ไหนเนี่พอจะจ่ายงวดเท่านั้นกรรมฐานเงือแตกหน้าเงือแตกหลังเธอเนี่เผล อ, เ อ, เอๆเส้นเลือดแตกในสมองเจดียังไม่เสร็จอีกต่างหากหลวงพ่อว่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องหาเงินก่อนหลวงพ่อว่านะ เออพวกเราเห็นด้วยไหมที่หลวงพ่อพูดเอาเห็นด้วยยกมือขึ้นหไวอเซฟว่ะแน่นหลวงพ่อว่านี่ยน่าจะหาเงินก่อนก่อนที่จะสร้างเจดีย์ไม่ใช่ว่าจะสร้างเจดีย์ก่อนจะควยหาเงินถ้าสร้างเจดีย์ก่อนหาเงินเนี่ยโตกด้ได้ใช่ไหมหลวงพ่อชินเออเส็จละย่างเสศษละอย่างบ่นละอย่างบ่นแล้ว น, นะเออเอาหลวงพ่อสด ลองพ่อชินก็นได้อนมลอนุมนอนโมทนาให้พร